ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ปานๆปลอกนิ้วนั่น 16 กรกฎาคมปี ที่บ้านบางหนมโคอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาครับโยมพ่อโยมแม่ของท่านก็คือคุณพ่อ ท่านก็ได้ยินเสียงของโยมอ่าให้นึกถึงพระอรหังนึกถึงพระอรหัง ยังไม่ทันจะได้ถามพวกกูใหญ่จิตท่านก็ๆท่าน อรหังอรหังอรหังดังๆ3 ครั้งโยมแม่ก็ดุท่านสยยกใหญ่เพราะมีธรรมเนียมว่าคําว่าพระอรหังน่ะใช้สําหรับให้คนใกล้ตายท่องเท่า ทีนี้ท่านก็มีความสงสัยอยู่ข้อหนึ่งว่าสตรี แต่ว่าอายุมะอ่าคืออายุมากกว่าท่านหลาย พอพี่เขียวเห็นว่าเปรียบเทียบดูมีความบริสุทธิ์ใจก็เลยอนุญาตนะท่าน จากนั้นท่านก็ไปหาหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอที่ อยากมีลาภนะคือทรัพย์สมบัติเนี่ยได้มาแล้ว พอหมดยศก็เสียใจเวลาได้รับคําสรรเสริญก็ยินดี เงินที่ได้มาเท่าไหร่เนี่ยก็จงทําสาธารณะประโยชน์ให้หมดอย่าหวัง หลวงพ่อปานท่าน 1 เมษายน 2438 พระอุปัชฌาย์ก็คือ เมื่อโดยความสนใจใคร่ศึกษาแล้วหลวงพ่อปานท่านก็ติดตามพระเจ็บก่อนที่โดย พร้อมทั้งส่งแม่กุญแจซึ่งกดล็อกแล้วไว้ให้อ่าดอกนึงบอกว่าอ่าเนี่ยเป็นคาถาสะเดาะกุญแจให้ว่าคาถาจนกว่า คือการฝึกสมาธิจิตการฝึกสมาธิจิตถ้าจิตไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยก็อย่าหวังเลยว่าหลวงพ่อปานใช้คาถา 4 ตัวเนี่ย กุญแจหลุดหลั่วเอาทันทีก็ 40 กว่าดอกแขวนไว้เต็มนะพอเอามือ ท่านก็ขยันฝึกฝนตามที่ๆให้หลวงพ่อปานๆของหลวง เกลียดเท่าเช่นตักน้ําด้วยอิทธิฤทธิ์คือตัวท่านเองนั่ง เมื่อหลวงพ่อสุนสอนให้แล้วหลวงพ่อปานก็จดจําการอวดดีโดยเฉพาะคารวะจจะแล้วก็ด้วย การปราบพูดผีปีศาจแก้ผู้ถูกของอ่าทำของคุณไสซึ่งหลวงพ่อแต่เพียงช่วย คืออันดับแรกต้องทําร่าง เสร็จแล้วหลวงพ่อสุนก็แนะนําว่าใน อ่าใช้จิตทะลุทะลวงเข้าไปได้แม้กระทั่งเชื้อโรคในร่างกายเราก็สามารถมองเห็นได้เป็น ทั้งนี้ก็เพราะว่านอกจากจะต้องผจญอาคมเช่นเดียวกับหลวงพ่อปานหลวงพ่อสุนท่าน สมัยนั้นมักจะนิยมทุรดงไปทางปราจีนบุรีเพราะว่าที่นั่นมีไปไหว้ตั้งใจกําหนดว่าที่นั่นอีกด้วยเพราะว่ามันเป็นเขต ระหว่างทางที่หลวงพ่อปานทุรดงไปน่ะ ให้ทำน้ำมนต์พรมซะก่อนแล้วค่อยฉันท่านก็เลยทำน้ำมนต์ หลวงพ่อปานท่านก็รู้ว่ากําลังจะถูกลองของจาก ไม่นานเจ้ามนุษย์ทั้งสองนี่ก็มาเอาอาหารมาถวายทำไม่รู้ไม่ชี้หลวงพ่อปานก็เอาน้ำมนมาประพรมดูอ่าเห็นเป็นอาหารตามปกติท่านก็ เป็นธรรมดาธรรมดาไอ้หนุ่มทั้ง 2 บ่เห็นว่าๆจากหลวงพ่อปาน เอ็งต้องจำไว้นะเอ็งจะต้องบวชต่อไปจนตลอดชีวิตนะเอ็งไม่มีโอกาสได้ หลังจากหลวงพ่อสุนแนะนําสํานักเรียนคือวัด ท่านก็เลยต้องสร้างกรงใหญ่ขึ้นสําหรับขังตัวเองเวลาสอนหนังสือให้ แต่พอโทษะคลายพอโทษะคลายอาจารย์จีนก็จะสอนต่อไป อ่าถูกใจท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งความขยันขันแข็งของหลวงพ่อปานที่ตั้งอกตั้งใจเรียนมากนะอาจารย์จีน นอกนั้นเป็นผู้หญิงออกเรือนไปแล้วนั้นเป็นผู้หญิงออกเรือน แต่หลวงประปานท่านเป็นคนจิตใจเด็ดเดี่ยว 8 บาทก็เข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่คล้ายว่าจะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯแต่ว่าจะไปเรียน 8 บาทเท่า เสร็จแล้วท่านก็มอบเงินช่วยเหลือ นอกจากวัดสเกตแล้วท่านยังมาเรียนเพิ่มเติม ท่านบอกว่าอยู่กรุงเทพฯ 3 ปีนี่ฉันก็ยาสาตครั้งเดียวๆเท่านั้น เคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเนียมมั้ยครับ ก็เห็นพระแก่ๆองค์นึงคล้องจีวรเก่าค่ําๆกําลังกวาดลานวัดมีหมามีแมวอยู่ล้อมรอบตัวเต็มไปหมดท่านก็เข้าไปกราบถามหาหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมท่านก็บอกว่าท่านนี่ คราวนี้หลวงพ่อปานถึงกับอุทธานออกมาด้วยความ จนต่อมาหลวงพ่อปานก้าวหน้าจากเดิมขึ้นมากแล้ว umnas.ปราศุ error, goddLA, 56, magnus, ma'a punch may not stand out for his mind. B sua preacher compreh trading such for widens, gave pay for him it was enough. The Father of the 클�itz gödgo for many of us to hold the and allowed their dinners to reassure these interesting things for the man named reader. The Father of theадцate and дос Malaysia woman are honored and has wanted theprocess of the church. Heんだ shows that the believers will be thereτοn't hear any objections for them to arrest, ว่ากันว่าบุคคลที่มีจิตใจกันว่าบุคคลที่มีจิตใจชั่วช้ามัว ท่านคงหวังแต่ทําหน้าๆจากนั้นท่านก็ วันนึงวันนึงมีคนมาหาท่านเพื่อ ตอนๆที่ท่านมีกุฏิพำนักแต่ว่าท่านไม่ค่อยได้อยู่ท่านกลับไปจําวัดที่ศาลาเก็บศพที่ท่านสร้างไว้สําหรับเอ่อเก็บศพไว้ชั้นล่างเออท่านอยู่ข้างบนทําอสุภกรรมฐานอ่าจากปาก เมื่อท่านไปอยู่ที่ศาลาเก็บศพก็มัก ไปจังหวัดๆกับตลาดๆตลาดบังเอิญแถวนั้นมีซ่วงแตกด้วยเฉย อ่าทำไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกับไม่ <ม. S 2> แต่ว่าเนื่องจากท่านได้สร้าง 6 รัตติกาลปี 2474 นะ พระวรวงศ์เธอกรมพระนครสวรรค์ศักดิพินิตหม่อมเจ้าโคสิดหม่อมเจ้าณภากาฐ์ท้าว ผู้ที่ยินดีแล้วปี 2444 ซึ่งเป็นปีที่ เมื่อเห็นว่าโยมแม่ของท่านอยู่บ้านคนเดียวก็มีใจคิดอยากจะรับใช้ใกล้ชิดตามสภาวะของท่านที่จะทําได้ท่านก็เรียนให้โยมแม่ท่านย้ายบ้านมาปลูกอยู่ใน เป็นการลดความสนิทลงเมื่อท่านไปเทศที่ไหนได้ปัจจัยมามาก ท่านก็จัดงานชาปนกิจให้อย่างสมเกียรติความกัน ทั้งๆที่อยู่ห่างไกลจากวัดของท่านตั้ง 20 ควายบ้าง บางก็ให้เงินบางก็บริจาค 2477 หลวงพ่อ นายม่วนมัคคนายกวัดหนองเต่าลพบุรีก็ไปธุระกันพังๆอยู่หลัง 2 คนท่านก็เลยเข้าคน 2 คนนี่ทํา ท้องๆได้หิวน้ําจนคอแห้งเป็นผงก็กินไม่เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในชามนั้นก็ไม่ถูกมันมีสภาพเป็นของกินเข้าไปมันจะกินเข้ามันสีเขียวแล้วก็เหม็นอย่างกับเหี้ยว่าตาแก่คงจะก็ถามว่านี่น้ําคน กว่าจะได้มาจากหนองเจ็ดนี่ต้องถึง 300 เส้นนะคณะหลวงพ่อปานก็มองดูที่ ก็เลยพูดกันว่าเอ๊ะคนในละแวกนี้บาปแท้เหมือนตกนรกทําไม วัดเมืองไทยนี่มันเยอะแยะเหลือเกินไม่น่าจะอบรมพุทธบริษัช ตริกว่าความรู้ทางด้านปริญญาของท่าน ในสมัยนั้นหาพระที่เทศได้ไพเราะ อ่ะซึ่งไม่มีหลักฐานว่าถูกประหารด้วยโทษอะไรกันแน่วันนั้นการเทศน์ของท่าน ด้วยเหตุที่ว่าหลวงพ่อปานท่าน ฉันพระทหารรวมกันกับพระใน อยากคนที่มาคุยกับท่านท่านจะปอกแล้วๆ ที่คนไข้ที่ได้รับการวันๆนึงเยอะแยะมากมายท่านก็รวบรวมแล้วก็จัดส่งเข้า ผู้ใดที่ไปวัดบางนมโคในตอนเช่นจีวรสบงมุ้งเก้าอี้โต๊ะเตียงนาฬิกาของ จะก็เรียกพระทุกองค์มาจับฉลากจะ 14 ค่ํา 8 ทุก หลวงพ่อปานท่านเตือนถึงภัยของการทำอสุภกรรมฐานๆ ไม่แน่ใจแล้วเจริญอานาปานสตินั่นล่ะปลอดภัย ตัวของท่านเองว่าของท่านเองว่าอนิจจาความตายนี่หนอเป็นความจริงแบบนี้ทุกคน ภาพอสุภะก็ลอยเด่นนิ่งอยู่ชัชพลันอสุภะนั้นข้างทันทีจนรู้สึกเจ็บและขัดไปหมดท่านก็รู้สึกวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดมา ในสถานที่ที่ท่านจําได้ 2-3 ห้องติดกันท่านพักอยู่องค์เดียวในห้อง 2 ห้องพอได้เวลาก็สวดมนต์ไหว้พระพอนอนสงบดี ท่านก็ไม่ได้ขับไล่ๆวับๆพระ แวบนึงท่านก็ลืมตาขึ้นก็เห็นพระพุทธรูปองค์ตรงนึงมาลอยเด่นให้เห็นอยู่ อ่าชายาภูมิที่เป็นทุ่ง 2 กิโลเมตรเป็นปากทางเข้าออกจากป่าเพียง แต่ว่าถูกช้างทั้งโขลงมาอาราวาสทําอันตราย หลังจากชาวบ้านลากลับไปแล้วหลวงพ่อปานท่านก็ไม่ประมาทก็สั่งให้พระที่ร่วมทางไปด้วยท่านนี่ให้เจริญกรรมฐานว่าด้วยพรหมวิหาร 4 เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำเป็นฌานให้แผ่เมตตาไปทั่วทั้งสากลจักรวาลตกเวลาประมาณสัก ลงมายังกรดหลวงพ่อปานแล้วก็พระ เจ้าจากโหลงที่ยืนอยู่นั้นใช้งวงฟาดเปรี้ยงเข้าให้เจ้าช้างเกเรหัว จนกระทั่งเห็นว่าปลอดภัยแน่แล้วก็เลยยกงวงขึ้นอ่าเหนือหัวเหมือนกับนมัสการหลวงพ่อปานแล้วก็เข้าป่าหายไปจากเหตุการณ์ที่ปรากฏก็ทําให้หลวงพ่อปานเชื่อว่าเจ้าช้างจากโขลงตัวนี้คงจะเป็นช้างโปธิสัตว์ ท่านก็ให้พระทุกองค์ทรงพุทธานุสติกรรมฐานนะตั้งอารมณ์อยู่ในๆบอกว่าถ้าหาก พระสงฆ์ทั้งหลายในที่นี้ด้วยเถอะผ่าน 2 นาทีปรากฏเป็น 2 เมตรโผล่มี 3 ดวงด้วยกันมีแสงสว่าง 3 ดวง จากนั้นก็มาหยุดอยู่ที่พระพุทธบาทนานประมาณ 1, 1 ชั่วโมงแล้วค่อยๆลอยเลื่อนช้าๆหายเข้าที่ ชำนาญในการนิรามิตรเมื่อปฏิสันถารกันพอสมควรก็พักผ่อนในถ้ําก่อนจะจําวัดหลวงพ่อปานก็สั่งไม่ออกบิณฑบาตรุ่งเช้าพระทุรดงที่ไปด้วยก็เห็นพระเจ้าของถ้ํานี่ก็ปานนั่งคุยกันอย่างสนิทสนมตอนหนึ่งพระ พระเจ้าของถ้ําก็เดินไปตัดต้นบอนๆนั้นมาต้นนึงพอมาถึงก็ จบคำพูดตัวหันไปเปิดหม้อข้าวปรากฏว่าข้าวกรุ่นเหมือนกับหอมหวนแท้มีเนื้อปลาอยู่อีกด้วยหลวงพ่อปานกับพระทุโดงก็ล้อมวงฉันกันในตอนแรกก็ มองดูหม้อข้าวหม้อแกงอีกทีปรากฏว่ามันแห้งสะอาดปรากฏว่า เปล่าก็เห็นผมยาวๆกับผ้ากับอิรุปุปะจนสีเหลืองไม่มีจะรู้เหรอว่าพระหรือว่าคฤหัสถ์ อ่าขวามายหวายยาวสักวานึงขว้างปั๊บตกหน้าหลวงพ่อปานมันกลับงูตัวใหญ่เบ้อเร่อ เล่นกันอยู่อย่างนั้นน่ะคว้าอะไรได้ก็ผลัดกันกว้างไปสู้ ท่านบวชอยู่กับหลวงพ่อปานเนี่ย 3 วันแล้วก็ไปอยู่ใน 3 เดือนแล้วกลับมานี่ คณะทุรดงทั้ง 3 ก็เดินเข้าไปในเขตป่ารกชัฏมี 13 มาใส่บาด 3 ทัพพีกับข้าวก็ไม่มี 2 วัน วันที่ 3 ปรากฏว่าพระองค์นึงสงสัยเป็นกำลังหมดความ 10 เมตรก็หายไปมอง ที่ยังมวนอยู่มาประทังชีวิตคืน 3 หลังจากอดอาหารก็เข้าสมาธินะหลวง รุ่งนี้ไปทางเดิมนะพ่อตกลงกับเค้า 3-4 คนไม่ต้องไปพูดไปคุย 4 คนเป็นผู้ชายสัก ในการทุดงครั้งหนึ่งหลวงพ่อปานก็ชวนพระร่วมทุดงไปกับท่านหลายองค์ในจํานวนนี้มีพระภิกษุ ไม่เห็นอะไรนอกจากต้นไม้ใหญ่สูงอะไรนอกจากต้นก็หันกลับไปดูใหม่ใหญ่สูงมันก็ต้นยางเสร็จแล้วก็นึกได้ว่าตอนที่ปัก ก็ชี้มือไปทางพระเขียรหลวงพ่อปานก็บอกไม่ได้ญาติโยมเค้าฝากมาจะเอาไป พระเบื่อชีวิตเบื่อหมดทุกอย่างบอกว่าเบื่อขันธ์ 5 เบื่อชีวิตเบื่อหมดทุกอย่างหลวงพ่อปานก็บอกว่าอืม เมื่อกลับไปถึงวัดให้พระเขียนเตรียม แต่หลวงพ่อปานท่านรู้ค่ําวันนั้นหลวงพ่อท่านตกดึกคืนนั้นเองหลวงพ่อปานท่านเล่าอ่ะท่านได้ยินเสียงดังแกรก รุ่งเช้าหลวงพ่อปานก็ปลุก แล้วถามว่าจะให้รักษาเอาไหมถามว่าจะอืมเจ้าราวก็บอกช่วยทีช่วยทีหลวงพ่อยกมือไหว้ปลอกปลอกหลวงพ่อก็บอกว่ารักษาได้แต่ต้อง ยิ่งคิดนานไอ้ตะขาบก็ยิ่งพ้นผิดนี่เจ้าราวก็มองเห็นถ่ายอุจจาระหลวงพ่อก็ไปถ่ายอ่าบอกให้ไปถ่ายที่ ทีนี้พอมันกัดแล้วมันก็เลื้อยเข้าท้องไปเลยนะถ้ากันหลวงพ่อท่านก็พูดต่อไปว่าเอ็งมันหยาบช้ามากอ่ะเอ็งคิดจะฆ่าพระฆ่าเจ้าแต่ไม่ แล้วก็บวชอยู่กับหลวงพ่อปาน 2 วันศาแล้วก็ออกปีมีลาวคน เมื่อปรึกษาตกลงกันแล้วหลวงพ่อปานก็รับ ตั้งแต่บวชมาก็ไม่ได้เอาใจใส่ วิชาบิดไส้บิดไส้ก็คือบิดชายพกผ้าตัวเองด้วยวิชานะทําอย่าง ในที่สุดก็ใช้วิธีเลวสุดยอดคือ ท่านก็บอกเหมือนเดิมน่ะใครใช้เองมาก็กลับไปหาเจ้าของเค้า เห็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุก็ไปเรียกหลวงพ่อ พระพันณคงจะกลัวคนอื่นรู้ก็เลยไม่พูดทั้งหน้าทั้งตาร้องโอยๆอย่างเดียวบิดตัวเออเมื่อไม่ยอมบอกก็รักษาไม่ได้เออเหรอเออไม่เป็น หลวงพ่อปานไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามได้อบรมพระภันต์ว่าต่อไปอย่านิดๆหน่อยๆเหมือนเด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมแล้วเก่ง ก็กล้มลงกราบเมื่อหลวงพ่อปานเทศจบหลวงกราบนะเมื่อหลวงพ่อปานเทศน์จบ 2479 ฝน ก็เห็นท่าจะไปไม่ไหวเพราะว่าน้ําท่ามันอัตตะคัดเหลือเกินปลาเข้าไปถึงเดือน 6 หลวงพ่อท่านอนุญาตให้เฉพาะพวกผู้ชายที่เป็นคฤหัสถ์ร่วมพิธี ขึ้นบทสักเกกาเมชุมนุมเทวดาเสร็จ คนที่มีหน้าที่ตีคอก็ตีเรื่อยไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ในเรือจ้างลำเล็กๆที่ท่านพ่วงท้ายเรือยนต์ตีคอ ได้รู้ข่าวว่าหลวงพ่อปานจะเรียกฝนรู้ข่าวว่าหลวงพ่อปานจะเรียกฝนแห่กันมา 4 รูปดังสลับกับเสียงตี เรือก็แล่นต่อไปเรื่อยๆผ่านตลาดบ้านแพนไปเรเร 5 ตอนนี้หลวงพ่อปานท่านนั่งเข้าสมาธิเป็นคราวๆบางครั้งก็ลืมตาขึ้นดูนาทีพายุฝนนี่ปั่นป่วนไปหมด หลวงพ่อก็สั่งให้แล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็กลับเข้าคลองเค้าเรียกว่าคลองบางปลาหมอคน 2 ฝากฟังเปียกปอนไปตามๆกันต่างก็ยกมือท่วม ตอนนั้นมา 23 มาบวชอยู่ที่วัดได้ 3 มัคสาพระรูปก็ โดยน้ำมนต์น่ะหลวงพ่อปานท่านปลูกเสดเองแล้วอีกทั้งพระวาดนี่สนใจในการก่อสร้างหลวง มีพระภิกษุลูกวัด 24 องค์นั่งเออท่านหวาดเมื่อคืนได้ยินเขาขน ท่านหมายถึงทองอ่ะแต่ท่านไม่พูดตรงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวอืม เหลืองๆน่ะเขาขนกันหมดแล้วคืนนี้เขาจะขนขาวเห ท่านวาจน์นี่ไปหาฐิกุฏิท่านว่าอย่างนั้นเมื่อพระวาจน์ไปนั่งอยู่ต่อหน้าท่านในกุฏิหลวงพ่อปานท่าน พอจับมือกับหลวงพ่อแล้วเนี่ยทีนี้หูได้ๆมีเสียงประมาณ 50-60 คนนะครับที่หลวงพ่อปานท่านต้อง เออคืนนี้ไปขอเค้าอีกนะจะเป็นด้วยเหตุผลอืมเปล่าครับฟังนะอง 24 องค์ฉัน ฉันไม่บอกพวกเขาก็เพราะฉันรู้ว่าพวกเขาเหล่านั้น ท่านหวาดก็ยังตอบว่าได้ยินแล้วยังประมาณเสียง 50 60 คนอีกด้วยท่านหวาดไม่ แล้วท่านหวาดคอยดูเออพลาดโอกาสดีๆน่าเสียดายจริงต่อมาไม่นานจริงตามที่คำสัก 5:00 เย็นได้ปรากฏว่ามีเรือ ผ่านมาทางหน้าวัดบางนมโคพอจะเลยหน้าวัดก็ปรากฏ จะไปไหนก็ตามต้องเหน็บมีอีโตติดตัวไว้เสมอพอแกจะนอบน้อมใคร โอ้โหนึกว่าใครกลัวอีโตเหรอเสี่ยท่านหลวงพะปานนี่ก็หัวเราะกากๆๆกลัวแน่ๆๆนี่ว่าแล้วก็เออนี่ หัวอีโต้คนนี้เค้าเป็นเพื่อนฉันเองเค้าเก่งนะคนเนี้ยเก่งกสิณมาก เฒ่านั้นน่ะมีอีโตโปรผุงมาตรงที่มันๆขึ้นไปไว้ พอเช้าตรู่แก้ดักอยู่สองวันก็ขึ้นไปสงสัยเอ๊ะอีตากลัวอีโต ท่านก็เลยย่องขึ้นไปดูรอบอ่าคือขึ้นไปดูซะก่อนที่แกจะมาก็เห็นๆใบนึงก็เลยกู้เอามาซะก่อนพอ อยากจะลองพิสูจน์จริงๆเนี่ยนี่แสดงว่าแกดักเงินๆวันรุ่งขึ้นตอน อาหารมาถวายพระมาถวายพระเออเดี๋ยวก็ต้องเลี้ยงกลัวอีโตเค้า 3 วันแล้วเนี่ยพอแสงทองขึ้นเวลาสักครู่ คนหาปลากล้วยอีโตพอกล้วยอีโตกลับหลวงพ่อปานก็เลยก็บอกว่าๆหรอกใบไม้อย่าง หมู่กุฏินั้นจะต้องอยู่ใกล้ 2 ต้นที่หน้าวัดด้านที่ติดกับริม คนงานที่จะทําการโค่นต้นตะเคียนกลับมากันไม่พร้อมหลวงพ่อปานก็เลยเข้าไปจําวัดพักผ่อนในกุฏิเพื่อรอเวลาแล้วตื่น ก็บอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาอย่าได้ กิ่งก้านสาขาของเธอทั้งสองนี่จะไม่ทําอันตรายกุฏินางแม้แต่น้อยเลยนะเจ้าค่ะถ้าหาก อ่าเสร็จแล้วก็หายไปพอนางตะเกียนหาย เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าสัญญาที่คือเมื่อมีพายุพัด โรงมีเผาศพซึ่งเป็นระยะทางประมาณเกือบ 2 เส้นเป็นอันว่าแม้หลวงพ่อปานจะมรณภาพไปแล้วก็ตามแต่ว่าสัญญาที่แม่นางอบเชยกับแม่นางสลัดใดได้ให้ไว้ หลวงพ่อปานท่านก็จะบอกว่าถ้าอยากจะดูนางตะเคียนก็ บอกว่าสมัยก่อนนี้ตอนกลางคืนดึกเรียกตาจ๋าตาจ๋าดังมาจากต้นตะเคียน เรื่องนี้มีบันทึกกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อปานเนี่ยไหว้ศพ มุ่งหน้าไปยังที่ตั้งศพท่านจะ 3 ครั้งเสร็จแล้วท่านก็นั่งปรงนิ่งสักครู่นึงพอสงบคนแล้ว ว่ามหาวีระเนี่ยคือท่านสงสัยเรื่องศพใหญ่ฟูใหญ่ฟูคนนี้มาตอนมีเช่นตัดหญ้าบางเทกระถูลล้างระถูลพอตก หลวงพ่อปานท่านก็มาบอกว่าศพตามเคยโดยมีพระลูกวัดตามมาไหว้ด้วยหลังจากไหว้เสร็จหลวงพ่อฤาษีลิงดําก็ถาม เพราะบางองค์ได้บวชมานานตั้ง 10 20 พรรษาแล้วอ่าเสร็จแล้วท่านก็เอ่ย 3 ระยะคือกราบครั้งที่ ถึงเวลาก็ต้องตายเป็นที่สุดเวลาก็ต้องตายเป็นที่สุดของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้โดยตรงว่าเป็น กราบครั้งที่ใหให 2 ให้นึก พร้อมกับสืบต่อพระพุทธศาสนาจนกระทั่งยืนยาวมาอ่าองค์สมเด็จ ทำมรณานุสติกรรมฐานที่เราจะได้ยึดถือปฏิบัติต่อไปจงจําไว้ว่าการมากราบศพนี่เรา คิดว่าเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายอ่าความคิดอย่างเนี้ย ปีนึงทางวัดบางนมโคมีงานประจําปีที่โรงทานของหลวงพ่อจนล้างชามไม่ทันแต่ละคนก็แบ่ง รูปประปานนั้นก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะไปเกณฑ์ใครแล้วกันตะเพื่อแกเอาชามที่จะล้างใส่ตะกร้าแล้วก็เขย่าให้น้ําอ่าพูดเหมือน ไปถึงก็จมน้ําเสร็จแล้วเขย่าโครมครามโครมครามเสียงชามกระทบกันดังลั่นไปหมดน่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นแก่ประชดหลวงพ่อปรากฏว่าชามไม่ ไม่ใช่ใครพวกหลวงพ่อฤาษีอ่าท่านพิสูจน์อ่าพิสูจน์เองเลยเอา 20 ใบใส่ตะกร้าเสร็จแล้วก็สั่งให้ไป งาน 20 ใบกลายเป็นสัก 120 ใบมั้งปนแลกและอยู่ในนั้นแหละถึงได้ ทางเรืออย่างเดียวพวกคนไข้ก็พากันลงเรือมาหาหลวงพ่อบางคนก็มารักษาเสร็จแล้วก็กลับไปเลยบางคนก็ต้องอยู่รักษาต่อบางคนเดินทางไกลมา ต่อมาคนรู้ข่าวว่าหลวงปู่ปานสร้างโรงครัวก็พากันมาทํา จึงเป็นอันว่าคนไข้และผู้ที่ไปนมัสการหลวงพ่อปาน โรคที่ท่านรักษาด้วยน้ำมนต์นี่ก็เรียกโรคภายใน น้ำมนต์ของหลวงพ่อปานนี่ศักดิ์สิทธิ์มากกรรมวิธีในการรักษาโรคด้วยน้ำมนต์ของหลวงพ่อปานนั้นทีแรกท่านจะเรียกคนไข้มาหาแล้วก็ถามชื่อเสียงเรียงนามถาม อ่าแล้วก็ว่าโสธายะนะโมพุทธายะนะเมื่อคนไข้ได้รับหมากเสกแล้ว แสดงว่าต้องเสนียดเสนียดที่เป็นเป็นอ่าของอัปมงคลอยู่ใต้ถุนบ้านนะ ส่วนมากแล้วหลวงพ่อปานจะใช้ฌานดูแล้วก็ ท่านนึกได้ผู้ป่วยไข้ต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนไปจุดบูชารังแก้งขอทําการแก้ อันนี้ถ้ารดหวานน่ะแต่ถ้าหมากขมแสดงว่าต้องคุณไสนะได้ตาสังมัดหนังวัวหนังควาย ของเหล่านี้จะทําให้คนไข้เจ็บปวดเสียดแทงในร่างกายเป็นที่ทรมานนักคนไข้ประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ชายมีน้อยอ่าโดยมากพวกนี้เค้าจะรับจ้าง คนไข้ประเภทนี้พิเศษใส่กระป๋องน้ำเพื่อให้คนไข้แช่เท้าทั้ง 2 กินเข้าไปแล้วไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่ขมนะแต่มีอาการ คือถ้าผียังสิงอยู่มันจะไม่ยอมกินหมากเศษหลวง คนไымประเภทนี้หลวงภาพัพันจะทำน้ำมนพิเศษ أГ plum ที่เป็นเพราะท่านต่อใจให้เช่ฯกน้ำมนให้คนไ hemos คือร้ dynamite ใช้หมีดหมอ Pink himself แล้วท่านมักจะให้สายศิณมงคลไว้ ค limit for someone buying spe plane เมื่อเวลารสสิ et it's มากเสกของท่านนิตสกินแล้วร้อนลึกเข้าไปในอก มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาหาหลวงพ่อปานสามีจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ภรรยาชื่อนางมิ่งมีอาการท้อง ท่านบริกรรมพระ 10 กว่าครั้งแล้วก็สั่งให้สามีนี่ 15 นาทีก็สั่งให้แกะออกพบ 10 กว่าครั้งได้ลานตะเกียงทุกครั้งจนกระทั่งเปิดแล้วไม่มีเหล็กตะเกียงลานก็ให้หยุดท้อง หลวงพ่อปานก็ให้กินยาต้มแล้วก็รักษาจนปกติสัก 15-16 ปีมาหาการมาหานี่มา หลวงพ่อฤาศมินี่มารดน้ำมนต์ที่ท่าน 5 ปิ๊บเด็กสาว หลนออกมาจากหน้าอกออกมาจากหน้าอกพอมีดหล่นออกมาก็รู้สึกเออท่านก็ให้สายศิลมงคลไป มีตะปู 4 นิ้วบ้างเรื่อยเหล็กบ้างจนในเคราะอ่าตอนนั้นก็ไม่ถอดแล้วอยู่ได้ดูหลวงพ่อปานรักษาว่าตอน ก็คิดสงสารจะเอามือช่วยดึงออกหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าอย่าเอามือดึงถ้าจะช่วยหัก ท่านบอกว่าของเหล่านี้เป็นเดินไม่ได้วิชามาพักรักษาตัวอยู่ที่วัด หลวงพ่อปานท่านก็รถน้ำมนทำน้ำ 2 อาทิตย์ก็หายแต่ไม่ เขาตอนเด็กๆอายุประมาณ 12 ขวบไปกับพ่อที่วัดบางนมโคได้มีมีดหมอแล้วก็ คนเขียนก็คือคุณชัยศิริงามพินิจเนี่ยก็ นอกจากน้ำมนต์แล้วท่านยังมี บอกว่าให้ท่านเป็นทายาทแทนเมื่อหลวง เวลามีคนไข้มาขอรับการรักษาท่านก็จะกิจเป็น อำเภอปากไห้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการสร้างดําเนินมาถึงการยกของศาลาการปะเรียนในเลื่อมมากๆเช่นหลังคาโบสถ์นี่เป็นวันยกเครื่องบนศาลาการปะเรียนหลวงพ่อปานไปก่อน เสร็จพิธีท่านก็ให้สัญญาณให้เริ่มยกเครื่อง รอกเหล็กตัวใหญ่ที่อยู่เหนือหัวในเลื่อมทานน้ำหนักจันทรรังไม่ไหวขาดหล่นลงมากระแทกถลอยในเลื่อมเต็มที่ในเลื่อมล้มลงชักดิ้นชักงออยู่เป็นแผ่นกระดานที่ปู นอนหายใจระรวยบ่งบอกอาการว่ากระดูกแหลก พอเสร็จพิธีในเล่มก็ลืมตาขึ้นรู้สึก 7 วันหายเป็นปกติกลับบ้านได้ไม่มีร่องรอยว่าจะมี เพื่อจะให้คลอดลูกง่ายปรากฏว่าทุกรายที่ เวลากรรมตามมาถึงตัวเอ่อทีนี้เดือดร้อนของทําคนอื่น อ่างเองก็พยายามแก้ไขอย่างเต็มความสามารถแต่ก็แก้ไม่ตกเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเค้ามีวิชาเหนือ ไม่รักษาอีนี้จ๊อดแน่ๆอีนี้จะเอาเท่าไหร่จารย์ให้ทั้ง ก็เห็นหลวงพ่อปานภาวนาคาถาแล้วก็เป่าที่หัวลูกสาว 3 ครั้งลูกสาวๆเสร็จแล้วก็หันมาๆหลวงพ่อ พอกลับมาถึงวัดแล้วก็ทดลองดูท่าน ท่านถูดงแวะไปหาอาจารย์ที่สอนวิชาเนี้ยท่านสอนท่าน 61 ปีท่านเริ่มป่วยคราว นำไปรักษาที่กรุงเทพฯที่บ้านของหลวงประทันท่องวิจัยที่บ้าน ฉันจะมรณะภาพแล้วจะมรณภาพแล้ววันแรม 14 ค่ำ 8 เวลา 18:00 น. ฉันจะสรงเคราะห์ทุกอย่างในด้านคาถาๆที่เป็นประโยชน์แก่บุคคล เหมือนกระดวงเทียนที่มีแต่จะมอดไหม้เห 8 หลวงพ่อท่าน เมื่อไปถึงก็เดินขึ้นสะพานท่าน้ําเดินขึ้นเดินลงเวลามาเป็นประจําสะพานนี้มันลาดชันแล้วลงผู้ติดตามท่านไปด้วยก็รีบพยุงท่านขึ้นมาก็นําท่านกลับวัดบางนวมโคทันทีพอมาถึงวัดท่านก็บอกบรรดา ขอนำท่านไปรักษาตัวที่กรุงเทพฯท่านก็บอกว่ารักษาก็ รุเรนมาเทียบท่าวัดบางนบโคก่อนหน้าหลวง มาถึงแล้วตอนเช้าท่านสั่งให้จัดเครื่องบวงสวงชุดใหญ่เพราะท่านจัดการบวงสวงเรียบร้อยตอนเช้าท่านสั่งอะไรมีเรื่องอะไรจะถามท่านหรือจะให้สงเคราะห์อะไรก็รีบ กำลังจะดับลงเพราะถูกพายุแห่งพญา ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อมีอะไรจะสั่งกับบรรดาศิษย์และชาวบ้านทุกคนจงตั้งใจคือ 1 อย่า 2 อย่าลักขโมยประพฤตตัวเป็นโจรเมื่อท่านกล่าวสิ้นสุดลงนี้จะใกล้ 18:00 น. เสร็จแล้วท่านแล้วเมื่อพ่อตายแล้วเนี่ยถึงช่วยไปสร้างโบสถ์ที่วัดรูปมหาวีระท่านก็บอกว่าเอ่อเวลาเส 200 กว่ารูปแล้วจะให้สงเคราะห์อะไรบ้าง เมื่อเสียงพระสวดอิติปิโสดังขึ้นท่านก็พยักหน้ารับแล้วท่านลืมตาขึ้นอีกครั้งเสร็จแล้วก็บอกว่า แล้วลืมตาอีกครั้งครั้งสุดท้ายของท่านชีพจรแลคร 6 ครั้งหลวงพ่อปานท่าน ไม่มีใครปลอบใครได้ทุกคนร้องไห้ที่เป็นผู้หญิงก็น้ําตาไหลพรากพราก ไม่มีเสียงหวายอาคมมีเสียงหวายอาคมเสียงมีดหมอเคาะกระดานไม 14 ค่ำเดือน 8 ปี ตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2481 สิริรวมอายุ 64 พรรษาครับเมื่อข่าวการ เปิดโอกาสให้ศิสยานุศิษย์ได้มาคารวะกันเป็น 3 วันแต่การกลับถึงเป 10 วันเพราะว่าคนมากันของท่านก็วางไว้โดยไม่ได้ทํารักษาศพเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มียา เหมือนกับท่านจะอธิษฐานทิ้งร่างไว้ถึง แต่คราวนี้พระพี่รุลสามารถศาสตร์ก็ไปถึงก้นศาลาการปะเรียนจนชุ่ม 3 ปรากฏว่ามีฝูงนกกายกพวกกัน มีเต่าตัวใหญ่จะเกือกตะกายเดือนศิษย์ญาณุสิทธิ์ 30 มีนาคมปี วันที่ 26 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันมรณภาพทุกๆปีซึ่งเป็นครับนั่นคือเรื่อง